ยี่สิบสามอิสรภาพหรือธาตุจึงเป็นใจของตนตองเล็บอัตตาดังนั้นใครจะเป็นธาตอย่างสิโรราบก็เป็นใจของตนที่ยอมมอบตนเป็นธาตด้วยตนเองไม่ใช่ถูกสั่งถูกบังคับ ถูกกาหนดมาโดยบัญญัติให้ต้องเชื่อหรือเชื่อตามตามกันมาพูดนั้นแค่นับถือบูชาเคารพเชื่อแค่ฟังเอาคำสอนของท่านมาเรียนรู้อบรมฝึกฝนตามต่อเมื่อโกเกิดผลที่ควรเชื่อเราจึงจะเชื่อ จึงต้องผ่านกรรมที่ตนเองนั่นเองกระทําเองประพฤติด้วยตนเองกรรมมักะหรือกรรมที่เราทํานั่นเองเป็นตัวทาให้เกิดกรร ม, มโยนี้โดยไม่ต้องเชื่อใครเลยนอกไปจากตนเองที่อิสระแท้แต่เชื่อผลของกรรมของตนเองทำ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรรมชั่วหรือกรรมดีที่ตนทำรรลงไปล้วนสั่งสมลงเป็นผลที่ตนทำรรทั้งสิ้นสุกตะทุกตานางกรรมมานางพลังวิปากโกหรือเชื่อว่าการกระทํานั้นต้องเป็นอันธรรมคือเชื่อกรรมกร ร, รมมัศดา ไม่ใช่พวกที่มีความเห็นอะกิริยาทิฏฐิซึ่งเชื่อว่าการกระทมไม่เป็นอันรมคือศูนย์เปล่าทำแล้วจบแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเพียงกิริยาเชื่อการกระทำมีผลของการทำคือเชื่อวิปากวิปากะสัทธา เชื่อการกระทาของตนต้องเป็นของตนคือเชื่อกรรมเป็นของของตนก ร, รมมัสสกตาศรัท ธ, ธาเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งตถาคตโพธิศัทธาการจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของตนอีกแหละ จึงเป็นเรื่องของอัตตาหรือเรื่องของตนแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็เจ้าของอัตตาของตนเท่านั้นอันเป็นอิสระในความเป็นตนของตนโดยชอบโดยแท้อัตตาคือจิตใจของคนแต่ละคนซึ่งเป็นพลังงานขั้นจิตนิยาม ไม่ว่าใครจะทำอะไรจะพูดอะไรแม้แต่จะคิดอะไรก็ล้วนเป็นกรรมที่สั่งสมลงไปในตนหรือในอัตตานั่นเองทั้งสิน้นกรรมที่คนผูดด้ใดทำจะทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่ากรรมใดทั้งนั้น ทำเมื่อใดก็เป็นของตนทั้งสิ้นเมื่อนั้นกรรมมัสกะทันทีทันใดต่อติดกันไปไม่ขาดตอนไม่มีอะไรขาดหกตกหล่นไปจากตนหรือจากการเป็นของตนเลยตลอดกาล